แนะนำบทอนุษบทอนุษเป็นบทมาดรฐานมีหกสิบีองค์การที่กล่าวถึงกฎข้อบังคับหรือระเบียบต่างๆที่มีความหมายทางด้านนิติบัญญัติการชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องทางด้านมัญญาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสนใจเกี่ยวกับปัญหาโดยทั่วไปและโดยเฉพาะซึ่งสมควรแก่บรรดามุสลิมจะต้องได้รับการอบรมเป็นรายบุคคล และเป็นหมู่คณะบทนี้ได้กล่าวถึงบัญญัติต่างๆที่สําคัญและข้อชี้แนะโดยทั่วไปเกี่ยวกับครอบครัวซึ่งเป็นสาระสําคัญในการเสริมสร้างสังคมที่สําคัญยิ่งบทนี้ได้กล่าวถึงบรรยาตทางสังคมซึ่งจําเป็นแก่บรรดาผู้ศรัทธาจะต้องยึดมั่นเพื่อใช้ในการดําเนินชีวิตส่วนตัวและโดยทั่วไปเช่นการขออนุญาตก่อนที่จะเข้าบ้านผู้อื่น การลดสายตาลงการรักษาอวัยวะเพศข้อห้ามในการเข้าสังคมปะปนกันระหว่างชายกับหญิงแปลกหน้าทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาครอบครัวมุสลิมให้อยู่ในสภาพที่บริสุทธิ์ผุด่องและปฏิบัติตามบัญญัติของอัลลอ์อย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ถูกล่วงเกินไม่ให้เกิดความระส่ำระสายภายในครอบครัวตลอดจนความเสื่อมโทรมทางมรญญา่าอันจะนามาซึ่งการบ่อนทาลาย ประชาชาติในที่สุดในบทนี้ได้กล่าวถึงบทลงโทษทางศาสนาบางประการเช่นบทลงโทษของการรอบล่วงประเวณีบทลงโทษของการสบประมาทหรือการใส่ร้ายและบทลงโทษของการสาบแช่งบทลงโทษต่างๆเหล่านี้ได้ถูกบัญญัติขึ้นก็เพื่อจะลงสังคมให้บริสุทธิ์จากความเสื่อมโทรมความไม่เป็นระเบียบความสับสนแห่งการสืบตระกูล และการเสื่อมโทรมทางมัน ญ, ญาตในเวลาเดียวกันก็เพื่อจะรักษาประชาชาติให้พ้นจากความปัน่นป่วนและการเรียกร้องอิสรภาพโดยปราศจากขอบเขตซึ่งเป็นสาเหตุแห่งการสูญสิ้นวงตระกูลและสูญเสียเกียรติยศและศักดิ์ศรีโดยสรุปแล้วบทนี้ได้แก้ปัญหาสำคัญของสังคมอย่างหนึ่งนั่นก็คือปัญหาครอบครัวและสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายตลอดจนสิ่งกีดขวางทาง และปัญหาต่างๆที่จะนำไปสู่ความเสื่อมโสรและความหายนะในที่สุดนอกจากนี้ในบทนี้ยังประมวลไว้ด้วยการมีมัญญาตอันสูงส่งเพราะความสาคัญและความประเสริฐของบทนี้ท่านอุมาริบนีอัลคอตรอปคอลิฟ่าท่านที่สองจึงได้มีสารถึงชาวเมืองกูฟะในประเทศอิรักกล่าวว่าพวกท่านจงอบรมสั่งสอนบรรดาสตรีของพวกท่านด้วยบทอนุ ชื่อของบทบทนี้มีชื่อว่าบทอนันนรพระในบทนี้เป็นดวงประทีปแห่งอัลลอ์ทั้งนี้ด้วยการตราบัญญัติต่างๆเกี่ยวกับข้อบังคับและระเบียบต่างๆทางด้านมัญญ่าตลอดจนความดีงามของมนุษย์ซึ่งนับได้วาด่วาเป็นบ่อเกิดแห่งดวงประทีปของอัลลอ์ที่มีต่อปวงบ่าวของผร้ลงซึ่งเป็นความเมตตาปราณีอย่างเปี่ยมล้นของผร้ลง ขอพระองค์ทรงประทานแสงสว่างแก่ดวงใจของเราด้วยดวงประทีพแห่งคำพีของพระองค์ท่านด้วยเถิดโอ้พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกด้วยพระนามของอัลลอผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ น, ا آ นี่คือบทหนึ่งที่เราได้ประทานมันลงมาและเราได้กำหนดมันเป็นข้อบังคับและเราได้ประทานองค์การต่างๆที่มีอยู่ในนั้นเป็นบทบัญญัติอันชัดแจ้งเพื่อพวกเจ้าจะได้รำลึก الزانية والزاني فجرد كل واحد منهم مئة جلده ولا تأخذ ك م بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر واليشهد عذابهما قائفة من المؤمنين หญิงละเมิดประเวณีและชายละเมิดประเวณีพวกเจ้าจงโบยแต่และคนในสองคนนั้นคนละหนึ่งร้อยตีและอย่าให้ความสงสารยับยั้งการกระทำของพวกเจ้าต่อคนทั้งสองนั้นในบทบัญญัติของล้อเป็นอันขาดหากพวกเจ้าศรัทธาต่อล้อและวันปรโลกและจงให้กลุ่มหนึ่งจากบรรดาผู้ศรัทธาเป็นพยานในการลงโทษของเขาทั้งสองนั้น ذ ชายละเมิดประเวณีจะไม่สมรสกับใครนอกจากกับหญิงละเมิดประเวณีหรือหญิงบูชาจเจวิตและหญิงละเมิดประเวณีจะไม่มีใครสมรสกับเธอ นอกจากกับชายละเมิดประเวณีหรือชายบูชาเจเวิและการกระทำเช่นนั้นเป็นที่ต้องห้ามแก่บรรดาผู้ศรัลลทธา และบรร ด, ดาพวกกล่าวหาหญิงบริสุทธิ์และพวกเขาไม่ได้นำพยานสี่คนมาพวกเจ้าจงโบยพวกเขา80สิบทีและพวกเจ้าอย่ารับการเป็นพยานของพวกเขาเป็นอันขาดชนเหล่านั้นพวกเขาเป็นผู้ฝ่าฝืน إِلَّا الَّذِينَ وا ذَالِكَ وَأَصْلَحُوا اللَّهَ นอกจากบรรดาผู้กลับตัวหลังจากนั้นและพวกเขาปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นแท้จริงอัลล่อนั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้สรงเมตตาเสมอวัลลดีนยรมูนอัสว اج หุมวลัมยคุลหุมชวดาอิลลาอันฟุสหุมสะชาดตัวอ حد หิม และบรรดาผู้กล่าวหาพัญยาของพวกเขาว่าละเมิดประเวณีและสำหรับพวกเขาไม่มีพยานนอกจากตัวของพวกเขาเองก็ให้การเป็นพยานคนหนึ่งในพวกเขากล่าวสาบานสี่ครั้งด้วยพระนามของอัลลอฮ แท้จริงเขาเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้พูดจริงและครั้งที่ 5, ห้าพวกเขากล่าวว่าแท้จริงการสาบแช่งของอัลห์ประสบแก่เขา พ่่่เเเขาาป็นนนผผููู้้หหึงใมกลวทและพวกเขาจะทำให้นางพ้นจากการลงโทษต่ตอเมื่อ น, นางกล่าวสาบานสี่ครั้งด้วยพระนามของอัลลอฮ์ว่าเขาเป็นหนึ่งในหมู่ผู้กล่าวเท็จ และครั้งที่ห้าให้นางกล่าวว่าแท้จริงความเกรี้วขอ่อล้อจงประสบแก่นางหากเขาเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้พูดจริง ولو ول ละ فضلاللهعليكمورحمتهوأناللهتوابحكيم และหากไม่ใช่เป็นความโปรดปรานของอัลลอฮ์แก่พวกเจ้าและความเมตตาของพระองค์แล้วและแท้จริงอัลละฮ์เป็นผู้ทรงรับการอภัยโทษผู้ทรงปรีชายาอนั <S <S ัลลลวบบบบมคุุหสรม แท้จริงบรรดาผู้นำข่าวเท็จมานั้นเป็นบุคคลกลุ่มหนึ่งจากพวกเจ้าพวกเจ้าอย่าได้คิดว่ามันเป็นความชั่วแก่พวกเจ้าแต่มันเป็นการดีแก่พวกเจ้าสำหรับพวกเขาทุกคนนั้น จะได้รับสิ่งที่พวกเขาขวนขวายไว้จากการทำบาปส่วนผู้ที่มีบทบาทมากในหมู่พวกเขานั้นจะรับการลงโทษอย่างมหานาลเมื่อพวกเจ้าได้ยินข่าวเท็ตนี้ ทำไมบรรดาผู้ศรัทธาชายและบรรดาผู้ศรัทธาหญิงจึงไม่คิดเปรียบเทียบกับตัวของพวกเขาเองในทางที่ดีและกล่าวว่านี่เป็นเรื่องโกหกอย่างชัดแจง้ง ทำไมพวกเขาจึงไม่นำพยานสี่คนมาเพื่อการนั้นหากพวกเขาไม่นำพยานเหล่านั้นมาแล้วชนเหล่านั้นเป็นผู้กล่าวเท็จนะที่อลัลลอและหากไม่ใช่ความโปรดปรานของ อลัลลอฮ์แก่พวกเจ้าและความเมตตาของพระองค์ทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าแล้วแน่นอนการลงโทษอย่างมหันต์ก็จะประสบแก่พวกเจ้าในสิ่งที่พวกเจ้ากำลังเพลินกันอยู่อดตลลหบบบบ ขณะที่พวกเจ้าได้รับข่าวนั้นด้วยการพูดกันระหว่างพวกเจ้าและพวกเจ้าพูดกันในสิ่งที่พวกเจ้าไม่มีความรู้และพวกเจ้าคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กแต่หน้าที่อัลลอ์นั้นมันเป็นเรื่องใหญ่ เมื่อพวกเจ้าได้ยินมันทำไมพวกเจ้าจึงไม่กล่าวว่าไม่บังควรที่เราจะพูดถึงเรื่องนี้พระองค์ท่านผู้ทรงมหาบริสุทธิ์นี่มันเป็นการกล่าวให้ร้ายอย่างมหา อลัลลอ์ทรงตักเตือนพวกเจ้าเพื่อไม่ให้กลับไปประพฤติเช่นนั้นอีกเป็นอันขาดหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธาแล้วล้ทรงชี้แจงองค์การทั้งหลายอย่างชัดเจนแก่พวกเจ้าแล้วลอนั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ الَّذِينَ الْفَاحِشَتُ آمَنُوا عَذَابٌ عَذَابٌ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ لَهُمْ أَلِيمٌ لَهُمْ أَلِيمٌ تَشِيْعَ فِي م. م فِي يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ถ้าจึิงบรรดาผู้ชอบที่จะให้เรื่องบัตรสีแพร่หลายไปในหมู่ผู้ศรัทธานั้น พวกเขาจะได้รับการลงโทษอย่างเจ็บปวดทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและอัลลอ์นั้นทรงรอบรู้แต่พวกเจ้าไม่รู้และหากไม่ใช่ความโปรดปรานของอัลลอฮ์แก่พวกเจ้าและความเมตตาของพระองค์แล้ว และแท้จริงอลัลลอ์นั้นเป็นผู้ทรงเอ็นดูผู้ทรงเมตตาเสมอยา أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان وَمَن يَتَّبِعُ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ و َ ل َ و لَا ف َ ض ل ا ل ل َّ ه ع َ ل َ ي ك م ْ وَرَحْمَتُهُ م, م ا زَكَى م ِ ن ك ُ م مِنْ ح َ د ٍ أ َ ب د ا و َ ل َ ا ك ِ ن ّ ا ل ل ه ي ُ ز َ ك ي م ن ي ش ا ء و ا ل ل َّ ه س َ م ِ ي ع ع ل ي م ٌโอบัรดาผู้สถาทั้งหลายพวกเจ้าจงอย่าติดตามทางเดินของช่วยตอนและผู้ใดติดตามทางเดินของช่วยตอน แท้จริงมันจะใชใ้ทำเรื่องลามกและความชั่วและหากไม่ใช่ความโปรดปรานของอัลลอ์แก่พวกเจ้าและความเมตตาของพระองค์แล้วก็จะไม่มีผู้บริสุทธิ์เลยในหมู่พวกเจ้าแต่รอดทรงให้ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์บริสุทธิ์แล้วรอนั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้ และผู้มีเกียรตและผู้มั่งคั่งในหมู่พวกเจ้าจงอย่าได้สาบาน ที่จะไม่ให้ความช่วยเหลือแก่ญาติสนิบแก่คนยากจนและผู้ที่อพยพในหนทางของลอและพวกเขาจงอภัยและยกโทษให้แก่เขาเถิดพวกเจ้าไม่ชอบหรือที่อัลลอฮ์จะทรงอภัยให้แก่พวกเจ้าและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภยัยผู้ทรงเมตตาเสมออนนัีมา ا آ แท้จริงบรรดาผู้กล่าวหาบรรดาหญิงบริสุทธิ์หญิงที่ไม่รู้อะไรหญิงผู้ศรัทธาพวกเขาได้ถูกสาปแช่งทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและสำหรับพวกเขาจะได้รับการลงโทษอย่างมหา วันที่ลิตของพวกเขาและมือของพวกเขาและเท้าของพวกเขาจะเป็นพยานปรบปรามพวกเขาตามที่พวกเขาได้กระทำไว้ วันนั้น Allah ออจะทรงตอบแทนพวกเขาอย่างครบถ้วนตามความเป็นจริงของพวกเขาและพวกเขาจะรู้ว่าแท้จริงอล l อนั้นคือผู้สรงสัจจะผู้ส่งเปิดเผย َالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَائِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا หญิงชั่วย่อมคู่ควรกับชายชั่วและชายชั่ว ย่อมคู่ควรกับหญิงชั่วและหญิงดีย่อมคู่ควรกับชายดีและชายดีย่อมคู่ควรกับหญิงดีชนเหล่านั้นเป็นผู้บริสุทธิ์จากสิ่งที่พวกเขากล่าวร้ายสําหรับพวกเขาจะได้รับการอภัยโทษและเครื่องอย่างชีพอันมีเกียรติ อบันดาผู้ศรัทธา ท, ทั้งหลายพวกเจ้าจงอย่าเข้าไปในบ้านใดอื่นจากบ้านของพวกเจ้า จนกว่าจะขออนุญาตและให้สลามแก่เจ้าของบ้านเสียก่อนเช่นนั้นแหละเป็นการดีสำหรับพวกเจ้าหวังว่าพวกเจ้าจะใคร่ครวญ 55:15 5ด1 6 หาพวกเจ้าไม่พบผู้ใดในบ้านนั้นก็จงอย่าเข้าไปจนกว่าจะได้รับอนุญาตแก่พวกเจ้าและเมื่อมีการกล่าวแก่พวกเจ้าว่าจงกลับไปเสียก็จงกลับไปมันเป็นการเหมาะสมยิ่งแก่พวกเจ้าและวล้อ น, นั้นทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเจ้ากระทำ มไม่ถือเป็นความผิดแก่เจ้าที่จะเข้าไปในสถานที่ใดที่ไม่ใช่เป็นที่พักอาศัยซึ่งณนะที่นั้นมีสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พวกเจ้าแ ล, แล้วล้อนนั้นทรงรู้ดียิ่งถึงสิ่งที่พวกเจ้าเปิดเผยและสิ่งที่พวกเจ้าปกปิดเอาไว้ ؤ أبصار و حفظ จ <ت ص في ق> งกล่าวเถิดมูฮัมหมัดแก่บรรดาผู้ศรัทธาให้พวกเขาลดสายตาของพวกเขาลงตำ่ำ และให้พวกเขารักษาอวัยวะเพศของพวกเขานั่นเป็นการบริสุทธิ์ยิ่งแก่พวกเขาแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเขากระทำแลกุลลิลมุ่มินาทีัลลอดุ้นนอับซาริห์นว์แะอ์อัลลอฮรนนูจห์หนน์และอ์อัลลอฮรดูจห์นนหนนะลลอฮ์อัลลีนนองพาิรมา و َ ا ل ي َّ ي ْ ر ِ بَنَ بِخُمُرِهِنَ عَلَى جُيُوبِهِنَ وَلَا يُبْدِي ن َ ز ِ ي ن َ ت َ ه ُ ن َ إلَّا لِبُعُولَتِهِنَ أَوْ أَبَائِهِنَ أَوْ أ ب َ ا ئ ِ بُعُولَتِهِنَ أَوْ أَبَائِ بُعُولَتِهِنَ أَوْ أَبْنَاء أو أبناء بعولتهم أو إخوانهم أو بني إخوانهم أو بني أخواتهم أو بني أخواتهم أو لسائهم أو ما ملكت أيمانهم أو التابعين أو التابعين غير أول ي الإربد من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفي ن من زينتهن. และมูัมหมัดจงกล่าวแกบ่บรรดาผู้ศรัทธาหญิงให้พวกเธอลดสายตาของพวกเธอลงต่ำและให้พวกเธอรักษาอาวัยวะเพศของพวกเธอและอย่าเปิดเผยเครื่องประดับของพวกเธอเว้นแต่สิ่งที่พึงเปิดเผยได้ และให้พวกเธอปิดด้วยผ้าคลุมศีรษะของพวกเธอลงมาถึงหน้าอกของเธอและย้ายเธอเปิดเผยเครื่องประดับของพวกเธอเว้นแต่แก่สามีของเธอหรือบิดาของพวกเธอหรือบิดาของสามีของพวกเธอหรือลูกชายของพวกเธอหรือลูกชายของสามีของพวกเธอหรือพี่ชายน้องชายของพวกเธอหรือลูกชายของพี่ชายหรือน้องชายของพวกเธอ หรือลูกชายของพี่สาวหรือน้องสาวของพวกเธอหรือพวกผู้หญิงของเธอหรือที่มือขวาของพวกเธอครอบครองทาตและธาสีหรือคนชายผู้ชายที่ไม่มีความรู้สึกทางเพศหรือเด็กที่ยังไม่รู้เรื่องเพศสงวนของผู้หญิงและอย่าให้เธอกระทืบเท้าของพวกเธอเพื่อให้ผู้อื่นรู้ถึงสิ่งที่พวกเธอ ควรปกปิดจากเครื่องประดับของพวกเธอและพวกเจ้าจงขออภัยโทษ ต, ต่อลออ้อเถิดโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเพื่อพวกเจ้าจะได้รับชัยชนะอาามามอิอออ ล, ลุ ออ ล, ลาีาและจงให้พวกเจ้าแต่งงานกับผู้เป็นโสดในหมู่พวกเจ้าและกับคนดีๆจากปวงบ่าวผู้ชายของพวกเจ้าและบ่าวผู้หญิงของพวกเจ้าหากพวกเขายากจนเราจะทรงทําให้พวกเขาร่ารวยขึ้นด้วยความโปรดปรานของพระองค์แล้วรนั้นเป็นผู้ทรงกว้างขวางผู้ทรงรอบรู و َ ل ي َ س ت ع ف ي الذين لا يجدون ِ ك ا ح ا حتى يغنيهم الله من فضله والذي لا يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكتبوهم ا إن علمتم فيهم خيرا و آ ت و م مما لله الذي آ ت ك م َلَا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَائِئِنْ لِتَبْتَغُوْ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا تُكْرِهُو تَحَصُّنَ يُكْرِهُنَّ أَرَدْنَ عَرَضَ اللَّهَ إِكْرَاهِهِنَّ فَإِنَّ الرَّحِيمِ และบรรดาผู้ที่ยังไม่มีโอกาสแต่งงานก็จงให้เขาสงวนตัวจนกว่าอัลลอฮ์ะจะส่งให้พวกเขาร่ำรวยขึ้น จากความโปรดปรานของพระองค์และบรรดาผู้ที่ต้องการจะถ่ตัวให้เป็นอิสระจากผู้ที่มือขวาของพวกเจ้าครอบครองพวกเจ้าจงทำสัญญากับพวกเขาหากพวกเจ้ารู้ว่าเป็นการดีกับพวกเขาและจงบริจาคให้แก่พวกเขาซึ่งทรัพย์สินของอัลลอ์ที่พระองค์ได้ทรงประทานให้แก่พวกเจ้าและพวกเจ้าจงอย่าบังคับบรรดาทาสีของพวกเจ้าให้ผิดประเวณี หากนางประสงค์จะอยู่อย่างบริสุทธิ์แต่พวกเจ้าต้องการผลประโยชน์แห่งการดำรงชีวิตในโลกนี้และผู้ใดบังคับนางเช่นนั้นดังนั้นหลังจากการบังคับพวกนางแล้วแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอล และโดยแน่นอนเราได้ประทานองค์การต่างๆาชัดแจ้งให้แก่พวกเจ้าแล้วและอุทาหรณ์จากบรรดาผู้ได้ล่วงลับไปก่อนพวกเจ้าและข้อตักเตือนแก่บรรดาผู้ยำเกรง مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوب دري قد من شجرة مباركة زيتونة. زيتونا لا شرقيته ولا غ ر ب ي ت ي كاد زيتها يضيء ولو لم تمسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. อลัลลอฮ์ส่งเป็นดวงประทีปแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินอุปมาดวงประทีปของพระองค์เสมือนดั่งช่องตามผนังที่มีตะเกียงตะเกียงนั้นอยู่ในโคมแก้วโคมแก้วเป็นเสมือนดวงดาวที่ประกายแสงถูกจุดจากน้ำมันของต้นไม้ที่มีความจำเริญคือต้นมะกอก มันไม่ได้อยู่ทางตะวันออกและไม่ได้อยู่ทางตะวันตกน้ำมันของมันแทบประกายแสงออกมาแม้นว่าไฟไม่ได้ไปกระทบกับมันดวงประทีปซ้อนดวงประทีปอลัลลอะทรงนําทางด้วยดวงประทีปของพระองค์แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์แ ล, ล้วอัลลอฮุยกอุทาหรณ์ทั้งหลายนี้เพื่อมนุษยชาติแ ล, ล้วระอนนั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ทุกสิ่ง ในบรรดา บ, บ้านหมายถึงมัสยิดอลัลลอ์ทรงอนุ ญ, ญาตให้เทิดพระเกียรติและให้พระนามของพระองค์ถูกรำลึกอยู่เสมอเพื่อที่จะแท่ซองสดุดีพระองค์ในนั้นทั้งในายามเช้าและยามพบค่ำ رجال لا تلهيهم تجارة ولا ب ي عن ذكر الله لا تلهيهم تجارة ولا ب ي عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار บรรดาชายที่การค้าและการขายไม่ได้ทำให้พวกเขาหันเห อ, ออกจากการดำลึกถึงอัลลอฮ์และการปฏิบัติละหมาดและการจ่ายสายกาศเพราะพวกเขากลัวในวันที่หัวใจและสายตาจะเลือกในวันนั้น ลอมเพื่อเราจะทรงตอบแทนพวกเขาอย่างดีเยี่ยมตามที่พวกเขาได้กระทําไว้และพระองค์จะทรงเพิ่มความโปรดปรานของพระองค์ให้พวกเขาอีกแล้วเราจะทรงประธานปัดใจอย่างชีพให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์โดยปราศจากการคำนวณ